วไมันสิุสียพลจดคว้งกับฟ้องหรอเสียเอดีพ่อหน้าลงเสียเอานั่งโดนไปอ้างอ้างกิที่แตกแค่ยังมันไม่มีปัญาคือด้วให้จับฟ้องนายอ่ะเดียวเดินจะกมลมโดนไปอ้างอ้างกที่แตกแค่ยังแต่ถ้าคิเลตุว่ามันมากบ่มันมาก ม, ม, มันหายามบ่มันมันมากูง่ายต้องคิดเหต ยืนนี่มันกัมานั่งนี้มันกับมา่านอนนี่คนมันกับมาฝันนี่มันกัมาฝันเนรักเพิ่งกับวานนั้นฝนนี่ตีหัวเพิ่งกับวันนั้นสน่เห็นหมเห็นเต็มตามาเต็มใจให้ไม่อช่พระไัวใอะไรลอกันนี้พระิญพตัวปฏิสธบัให้เสือดินพระเชิพตัวผู้ใดีวเสร็จเาพูดจเจ้าขอบุเสือดิฉัน ดำดินบินบนวานี่หเกลางๆกลางๆนีนนน่ยังมาเรียบกลางพระเจาะ้าเยได้ลยบอสันว่าเกียรติพระพุทธเจา้าเกียรติพระอริเจา้าตับนตัวนแ่องใคจะเป็นพระหามือนี้ยังให้เกียรติพระพุทธเจา้าเยยังไ พ่เป็นเดียวนี่เังงเกียรพุทธระธรรมระสอง์เนี่ยพนเป็นแต่กอนะมขา้ า, ารบยุยังเป็นเี่วยวโพ น, น <g ül> ยุ่สว่านสัมนออกไปจะเสีได้ผลผมว่าที่ออกจากคุกได้จะมาอวดกั น, ย, น, นยังไงลักหอเกียรตดทูย่งไสิเขาสู้พระ น, นิพพานบ ได้โลกธาตุเดียวนี่เกี่ยงเสียเกียบตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สมพนไตกรุ่นอย่างว่าองท่านรับเพราะเป็นที่หลังคนนี่นั้นสีนักถือว่าเป็นเป็นอาจารย์นู่นอย่างพรไตรกรุนนี้นว่าองท่านว่า พระห้างกระดูกมัตถินในวัตตาสงสารหลายศาสตร์หลายพอย่างนีเป็นวิบาก ท, ที่มากพอกห้างกระดูกมัตถินในวัตตาสงสารโลกคือมูสัตว์ชาลาพญาที่เข้าไปใกล้ในยังยืนโลกคือมูสัตย์ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครจําได้ชั่ละที่ดินน้ําไฟลมไฟในโลกนี้โลกคือมูสัตว์ บกพร่องอยู่เป็นนิดไมอิ่มเป็นธาตุแห่งตั้หาเป็นธาตุแห่งควอพระยาธิญาณเนี่ยวตาสองสามเนียวัดตาสองสามตาวัตาสองสามหูวัตตาสองสามจมูกวัดตาสองสามลิ้นวัตาสองสามกายวัดตาสองสามใจวัตาสองสามดินวัดตาสองสามนาบวัดตาสองสามไฟวัดตาสองสามลม วัตตะสองสารของเวทน่าคข้มสวยทุกทุกอเบวขาวัตตะสัญญาค้อมจำได<ม>้รู ป, ปะสัญญาสัญธะสัญญาสัญธะสัญญาราสญญ า, าสัญญาโพธะพระสัญญาธรรมะสัญญาอ้อมจำได้รูปได้เสียงได้กินได้รสได้ผพธะพระวัตตะสองสารอันหนึ่งสังขารข้อมผูงแจง้งแหง่งคิดแห่มันดีมันชรัวไปทั้งบนบา่าทั้งบาบา้าอันนี้เป็นวัตตะสองสารอันหนึ่ง เวียนงาณลัทธสองสาะจักขูเวียนงานเวียนงานท่าดวงตาเพราะตาเวียนงานเวียนงานท่าหูเขวหาเวียนงานเวยนงาณทาเลีข้านาเวียนงาเวียนงาณท่าจมูกเขียวหาเวียนงานเวียนงานท่าเลียงกายกเวียนงานเวียนงาณทกายมโนเวียนงาณเวียนงาณท่าใจ อาจจะเป็นญาณมโนวิญญาณวนเวีนให้วิญญาณม่มากแขงดีกันทศราบันสักข้าข้ามี่อะข้นนานี่ะไรน้ำูกแข่งดีรับแขงไปสู้าน่าต้กนันลงมามันมาแขงเวแขงไ่กันมนจะบอกเนยึอันหนึ่ง นะค้นคิดข้อเห็นคนทางคนนมิเขามาเหลื่อมใช้วัตพุธศาสนาเฮ้าเห็นพวกกีนก็ดีพวกประเทศอื่นก็ดีให้เห็นเศรษฐีพวกเศรษฐีอาเซียมาเหลื่อมใช้วัตพุธศาสนาเฮ้า เขา ย, ย, ยินดีว่าเขามาเรียมไสพระพุทธศาสนาเา้าเขาเหียมไส้คู่บ่านาการที่คสมมามีนั่เาเมื่อดังเงียบเงียบเงียบหอยชีเตศทศกิจเมื่อเขาบดโดวเป็นดมดแดงสบม่วงเื่อทิเืเขาบด เขาจะสูงลงมาตํ้มว่าหาอมธแค่นีกานอเมธคือนะฮะมันเิดเขามันบ่มันสูงต่ออเมธนะฮะเนียยึดใจเขาก็สูงถึงเพือสั่ว่านะฮะใจเขากสูงถึงธรรมะือั่ง่มนเขาเขาที่สูงจะทงอเมเ่นี่กิดนนี้ครับูดได้จะสึดสัน แต่แต่ว uh ่า huh. กินกายว่าสางหายสารเขาว่าก <laughs> ินกายว่าหารถเขาบอาว่าเมื <us> ่อหลังตึ้เงียบตึ้เงียบว่าเขาอันเดือกใส่ผู้บัญาการดูถ้าไปแทะเขาโอเสตธกิจอุซนพ้นบุญไปกินเมือถูกนะครับอืมไม่ฟังเงี้ยเดือระชาถ้ำบุญยินท่านระเลกยานจะพูดได้แต่ออกร้ายเ่า ออกไูได้แต่ออกงอยนะว่าตัวไว้ดีได้ไว้ดีนะครับประทานยิ่งเนื้อท่านนี่ลูกปืนกูเพราะว่าห้อยห้องกูให้กูปันสั่นให้กูเตี้เพราะว่ากูได้แต่ยากษ์ามันเป็นลูกปืนไถแรนบมนี่หอยคลอน ก, กูตีไว้ส่วนไกลก็จะๆๆช่วลูกห้องอเงินมาส่ ถ้าไไอราไล่เนี่ยเรวเจอรถไล่ก็ได้ไปว่า ต, เตัเสดบุกปืนว่า ก, กูสันเขาจะไปสันมันค่าปืนแม่นบอกอบก็แค่เฮ็บุญเพราะรอสยานจะไปได้ออกหลายห่อนหรอกคุณตะค่อนเพราะว่าน่าถามยังมี่ยกคุณเร่งมาถามเหมือน นกพูนกพู่าสั่นบริจาคหน้ามันได้บุญมื่อไหร่ว่าสั่นก็จังัวา้องเห็นบาปพวเห็นว่าแต่ย่าหน้ามันสมบับาปว่าสั่นห้องจับไฟกวนนะพวกเห็นในย่าหน้าแล้มันหอนมันสมบัติหอนว่ามุตโตจะไปเข้าใจยังไงนะว่าย่าหน้ามัคืออยากเป็นบุคลาธิฐานอยากหน้าใจคือหล่อกว่าเพื่อจะเอาใจเป็นพงานเพื่อที่เอาหน้าเป็นพงานในเวลาข้าพเจ้าให้ท่านโยกัดหน้าใช้ใจดีเมื่อข้าพเจ้าท่านแนวก็น้าหาใช้ใจดีออข้าพเจ้าว่าเช่นใดพคนทิ้งพ้นท่านนะว่าสั่น อปัญหาพจ์ถามขมาอีกคนพุเดียัว่าเถาไม่เถามันเป็นรุปกรรมยังตรงนี้ในท่าประเทศนะการเกาออกแบบวัรถศาสตร์กรท่านเราม่เฮียวศาสกรท่านของเราปเสียตายเลยนได้ใจพวกเถาไมเถา อยู่ข้าปนะรเสียตายคนหนึ่งนี่ก็ต่มีเงเต้านนึ่งมีตาป่านูด้มันมีเมื่อแต่แค่าศาสนาขาม่าม่มีค่าอยดิพะโมกข้า่า คืนไปเนี่ยช้างสาวันวอกวอเวอกสมเนี่ยสาวันกับว่ามันไม่เทียงเทอกันนะวอกวอกที่สูงมาตั้มไปเห็นไม่ม่านในในท่านอย่างนี้ไม่ม่านท้องไส้ะไรท่้นไม่ม่านของนั่นทามานอบเขาสามคนชนคนบุญนึกทามาเมลอดคนยาน อังพนันเนีมาทามอ้องไฟอังพนันข้อเทีเกิดทั้งหมดช่วันนี้ของคนั น, นของพนี้เขายูวันในมนุษย์โลกเขาสางเลยมันมาเกิดเป็นข้อเทียบจไปหรือไรเลลงมาลงมามาถามพระองค์เกา่ามระเก่าช่วยพระองค์เจา้าพ้นสางพ้นดีว้นนี้มนุษย์โลกมันเกิดเป็นขอเทิยไว้ในเมือ่อสวรนี่จะบอกเขาหน่อย ผูเขาปาดถนาสวรรค์ ม, ร ม, รมันกับนี่เนี่ยเหนียภูเขาปัดถนาพันีุผพานมาหามวกิดได้เหรอพลังกับนีะพันธุนธุาโรนนผูู้เขาเสียไปพันธา์พนธุ์ในพัฒนาศาสตร์มันกับพวกนี้เนี่ยอ่านผู้มันเสีไป้างมันเหนี่วกันี่มันมองขโมกข้าวลาไปภูเขากินตะปูดไปไปเห็นมาสอง่า ออววเรายิมยิมเราผ่าไอ้ถามเาพวกบรรเ้ายิมยังไงฮะเออมุกโตกจัี่ยงเรืองนี้นปัญหาพระองค์เจ้าสะพานเท่าังี่ว่าออกนะคบเพราะอะคือถืเป็นทุกเขาที่พักโกเราอะไคื อ, ม, อมันปกติวชอะอคือมันสาระพโรกเพารับญห า, าขของค์เจ้าสานเท่าเพาะอะไแค่ถูกพ่อ่อกของมกโต้กจัเกี่งเรืองนะครับเราไปเห็นกอภเกิดที่ในหัวผู้ น, น, น, นันอีก เพจตัวนา้น่องไปโสดเต้นจนเต้นในห้องกูกูกเก๊งอยู่ห้องรูกก็ไพร์แบบไงเกิดอยู่ในองหัวหน่มวสูงสูงจักเสร็จหนึ่งคนคนหนึ่งกลางกอไพรก็สูงขนาดอย่เห็นหมวกข้างล่างถยิิมยิมถามเอกพระก็ยิมหลายเท่ากันเอ้ยจะฟอวอว่าจะฟอว์ว่าจะฟอว์ว่าอยุ่มาจากหมวกข้าง่างถ่าย <femme> ทิพย <oi. S 1> ์เลย ไปไปเห็นเพจสเวนหนึ่เอกมือยาวมือยาวเทชุดบานสูงในคำใบตานอย่างนี้แยิมเยิ้มเอถามเองยังเห็นเพจร้ายอยู่ยังพูดทางว่าจะสอบสนับนม่ใช่คร ข้ากาบลงมามาหาพระองค์เจ้า อ, อันเพตศเมื่อใบตานมือไงคือใบตานน้าเงาขนี่จะบอกขน่อยโตสูงสูงเพรศเป็นมากสองป่าขามีบอกหน่อยแล้วกับเขรก็ภัยเกิดแค่หัวของีบอกหน่อยแต่ตางว่าโตเขาลงเห็นลงมาอย่างนี้เนี้ยวะท่าน ผมเห็นว่าแค่ผู้เขาคิดจะขูดไม่รบบอกว่าสั่งตัวที่มาถามเฮาเฮียงนะคบผมว่าพอสิถามเนี่ยฟ้า้มนีว่าสั่งเห็นขน้อยยีมหรือเท่าไรมาถามขอน้อยขอน้ยบว่ามีขายา่ขอน้ก็เลยว่าพอหาหอดพระองค์เจ้าสักคนจังที่ถามขาเราก็เลยวางั่งแล้ววางสั่งโอ้มันก็นี้แหนว่าสั่งแต่ฟ้ามงนี่แหนว่าสั่งพวกมูอโตยังสงสัยว่าฟ้าสมนีว่าสั่งเดยว เขาเป็นรูปประถับอีไอย่างเงี้เขานอนเลยอันมื้อย่อยง่ายอ่ข้อไปตานง่ายง่าย่ะมันไปใบนู่นเขาเยอะในวัดก็เช่นเพรานันว่าก็ออกจากปลายมาเลยจบมรลคก็เช่นจกมรรกแล้ ว, ก, ว, ล ก, ก, วล ก, ลกัมาเป็นเพศออกจากเพลศออมาเป็นเพศอีกนะเพราะนั้นอันจุด ก็ไพเกิดก็่หัวหน่ะมันไปนถอนรักให้รักหน้าเขาว่ารักมันไปแง่นนที่หินเขาว่ารักอันมากสองปากันมันป็นข้าวหนวามกินใช่ที่จุดกำลังเลยพระท่า น, น, นมันก็มีส่วนนี้นั่นพระพุทธศาสนาถูกโจนหมดคำอะไรไไอโอ้ยเขาไม่จคุณดละบอก ราชสนามมันบริบูรณมดส่วนเือแน่วโม่เขาจะไปสงสัยเน่ตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาพุทธโธยังได้หัวใจไยืมผู้ไดถ้าโมก็ยังได้หัวใจไปยืมผู้ไดสังโฆก็ยังได้หัวใจไปยืมผู้ไรพีพย่างนาดีน้ำไฟรมกันมุนีเนี่ยมืดมันยอกะมดประชาหาจะประกอบบริญทั้งนอกเลยพี่ย่นาควบโมบันบมเทียงกันแม้อันนี้ก็จะประาไส่ส่ม พี่แค่น่าเป็นทุกข์กับแมอันนี้ตัวสิบห้าเซนตัวศี้นกับแม้นอันนี้ตัวสิบห้าเซนตัดส้นงนี้หรือเ่าตัวสมาทิกัตั้งมันยังไม่มีตัวตัวาอบลว น, นี่ตัว่าอลงอันนี้ก็บกาเกิดอีกคืวงไอะไรท่านขามโลกไ่ไปได้หรว่านี่ขามโลกกายขามโลกใจนี่คือขามไรไ่ได้ยึดถือปัจจุบันเป็นตนไ่ได้ยึดถือว่าตนเป็นปัจจุบันเลขามโลกใจอะไรยี่ วยึถือว่า uh ูลเป็นตนว่าได้ยึดถือว่าตนเป็นผู้ลพร่มายใจเขาออามือกันเขาสูบน์พ่างด้วยกันใจจะอันเดียวกันกับจิกันอย่างใจมันเป็นข้ามไทาจิตมันจิตมันเป็นข้ามมารีมนัดก็เป็นข้ามารีวิยนญาติมันเป็นข้ามมารีวิญญาตกัใจอันเดียวกันอืเดียวกันวิยนญาตมันเป็นข้ามมารี่วยน่าติกัใจัย เพรมก็ไม่จะถือว่าใจเป็นตนันเป็นใจเพราะมันความนั้งตัวคือว่าอันนี้ดือดเนี่ยอันนี้รักเรอือรได้ถือเป็นรักเแรงน่เพราได้ถือว่าเสีเอาใจไปพระนิพพานนั่แน่ใชสิไปเอาใจไปพระนิพพานนั่เสียเอาไปเมื่อวงพระนิพพานพระนิพพานก็ตายยึดตายอาใจเลยเอาไปเมื่อว่างมรดกใจขันท่าท่อถือม่นก็เป็นหนทาเอาไปพระนิพพานคือขันท่าท่องถก็เป็นหนท่ามรดกมรดกคนอุปมากนเหืาอใจว่ คันคามฟงังแล้วพลาสตเอาใจไปนําคามฟังแล้วพลรสตเอาเหือนไปตลาดน้ำไปก่กลับกลงวันเลยาวันดยใจห้องคือตลาดมือก่อใจยิงคนมาถูวกใแจ๊กเป็นนจีก่อนมันบีนะคืว่ามีตลาดยึงจะกินเหล่านี้ครับเนี่มันกินเหลานี้มันกินยิ้วลาเขาไม่ได้พวกเน้มันีิพวกจำน่าเป็คนดอัี้สอนมาเคยแบบใจคนกิดมัน มันต่อนือมาม่เลัโอ้ยอันนี้มันเฉลี่ะมันใจอันเล่ยเขาอยากมันอีกอันนั้มันยังเป็นมันยังเป็นโรคีอัโขโยหันยังจะไปอยากเรายูมันยังเป็นโรกกีอัโขโยอันอันนี้ไม่ต้อเอามาชนังเราไม่เป็นอันไหอันเอามาชนะบัเราน่ะเขาไก็เห็นออมาเป็นโทษร่วนๆนี่ เือมันเดี๋ยวเดีันพูดยมันกัษณะไปเลยแล้วแต่เช่นโทษกันรวยมันกัษณะได้ทั้ตัวแล้วมันไปโทษเนีแต่ีนี้ถ้าไปิงไปหาไปหาบุญทนจริงเลยุมันบทุมันโมไปมันกับภาษากศลนะเว้ยคือมันถกไปขาดตัวมันกป็โรคอตระมันยังที่อยากไปองก็มันกับมยงนะมไปขาดตัวแล้วบมไปอีเ่ยหมนนึกไปวนนึกว่าจะกินผลขึ้นลำไส้เนี่ย ทุบ อ, ออกทิพย์จากปากเราบ้านึกว่าสิออมาใช้กระเทียมมันจสมใสว่าสิออกมาใสายย้กระเทียมมันจะไเมยนนี่ยังสิว่าโอ๊ยแต่กูจะไกินนี่ปุยานเพี้จ้างมันกับเมีย น, นนั่นกูจะคาสัดยูใส่กูคาในกูปุยานเพี้ยสิลเห็นยังเมียนอันนี้มันไม่ใช่ลายายาคยาเนอะบอมันถือเป็นโทษกันร้อนเด่นม่เอาเฟ้นเรื่อกัรเล่นถัวเฟ้นเรื่องการล่น คือมันยังเสียรายจดเนเนี่ยมันกับมัมยังพิจารณาอยู่แล้วมันถือว่าเป็นโทษระวนนั่นสิทานไฟแดงโล่โล่มันเสียดายอยากไปเลยมันหอดบวิจารย์ซ้ำเสียเวลาไอ้านเัอมันหอดบ่ชสงสัยเลยมันว่ามันสิไปมันจำสัตเ์มันจำเป็นโลกุตละเด้มันจำมานเสียหาโลกุตละเด้ถ้ากูสิเปรียูกกูยาัวกูเห็นกูสิเปรียญสู้ดกกูยเี่ยกูเห็นด้ือย่าดคอยหลานแมย์คเห็นสันยังคืนยุสันยังโมมนต์เนี้ยนะ ยังโมม่แอนยังเป็นโลกที่ยุ่หันมันบมเสดอะไรจะไปเฮ็ดจักเม็ดมันก็จักโมบัวหนักเลเขาว่ารมันก็ดมันก็นักตายแล้วผู้รักษาศีลนะมันกันักตายปันแบกผู้เขาหลักันมันจะไปยุ่งฉันคำว่าขาดเนี่ยเขาจไปโรคกุตระลายเสียตัวบวเลยอืมบวห่วงขว่าห่วงที่จะไปซื้อสาสตาเอื้อนยมันเป็ยังเป็โรคที่ยุ่งหันค่บวมห่วงยังเยจะไปซื้อสาสตาอื้นมันจะเป็นโรคกุตระเสียตนวันานมันก็พ่อได้เยอะ ก็เสากับบอลลบุนคำันห้วงจะไปเร็วเร็วยนผายมันกับบอลโลกตะหักกันว่ามัอนหวงจไปหาเสียงท่าผสมท่าของบอลโลกุ็ตระหนักที่กันหรว่านหคือระเนี่นยมันสียังสี ย, ยากห่วงยักเสดายไปเฮ็ดซ่องขาวซ่องเขียวยกมันกับบอลโลกุ็ตระหนักทีกันแล้วือว่าไห เออแค่แค่ขออยู่ฝ้ายงินดีนเลเยาเยวัเยเบิรไปบอกงอมในทังปงในทังอ้อมทั้งไกท้งไกลึกกระร้างตื่นกระตามสนทั้งสวดอวันเท่ากับว่าหายะเนยบวันไรสบวนสิบนเลือกร้างสิบอกนตื้นมาไรก็ตามสิบคาอุบายเลือกกร้างอุบายตื่นมาไก็ตามว่าแต่หามีอุบายเถอะพราะสดวันเทากับว่าหายเขาเนีสิบวดนอยพันสากร้าง ีผู้นับถือเนี่ยครัมแต่ยังข้ามไปเขากับ่เข้ากับ่อาตงนได้เดี๋ยวนี้งง่หมว่บ่ล้วขับรเศ้าชะก่อนขับรเห็นโสษชะก่อนไปบ่ได้แล้วได้อยู่่กัาฟางลาบเาถืว่าเตมให้าพินินเขากับว่าอาตงนกัก็นพื้่บ้านได้บ่ ก็าบอานี่ยอว่าอาชีจำนเ่ยมันะไปหันนมัน่ว่าบวอาชีพมันขัดใจยังนี่เราต้แว่าูดที่ยดกกาเ่้อนงืยันเนีนีูดวาหนีายันหละบอกก็มีว่าลวบอกมันมันไปาน่พก้ายนนะครับแต่บอกเขาเขาจะขวนเขาไปบอกเขาเาจะาดเยเนี่ยครับาอกไปยง บุหีกับพระไตรปิฎกเขาก็ขายยอะจัปางเพราะว่าคิดสนามมุนนี่คำนันต้นศาสนาของแม่นว่ต้นศาสนาพระก็บอเห็นพระขอ้อยเสลี้ยอระพุตเจ้าพระกบอกวหายท่านรักษาศีลภาวนาสิม่กูขอสูแพรก็บ้ว่าเพไตรปิฎกก็ขายเพราะเงินคุยแต่งสายขายหนึ่งเงินหลายล้านหลายแสนหลาสิบร้านั้นมเทศบีก็เฮาเนี่ยจ้ ว่าเนมเมโมเมียโมเมียขาว่าน่าหนอยเพราะเราอไฟเข้ามาหน่อยมาหน่อเอาละจำเนื้อหน่อมอันนี e ้ก็บวอกเขเก่าหรอมเ่มไม่มาผู้ฟังเป็นผู้เก่าผู้กก็เป็นผู้เก่าเลยก็เป็นพระพุทธเจ้าของเก่าเลยเขาสอนวาเก่งกานั้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าของเก่า เรามอยากถามเอาหัดาถามขอถามผุโชวนี่ผานพโมนผ่านโก้นีพาดรับเพือพเนี้พานเน่โมได้ว่าโตเป็นผู้สมควรนมืไหวเด้โอนทั้งพะนีพานดนอกขรับรับเพื่อพะนี้พานผู้โชวมพโมังโคหวยพระคือเาป็นสมโอนเจ้านโมได้ว่ามูไหวห้างกระดูเข้าเน่ เขาโอนไปพ่พเนรค่าไว้พอนรค่าเอาวางเขาลรับเขาขอรับเพื่อพ่อในราเขาบอกมันจิกตุนอะไนี่เนี่มอสั่งเราเขาส่งต่อพันเนาบนบีไม่เคลียร์ตุนจิกตุนอะไนี่ผมดังกับพียบตะเพียบ เ, เลยเพิ่มเคียร์ด้วย พอรู้ดียัววาอวตารสงสารนี่เต็มไปด้วยผูกเต็มไปด้วยควาเกิดเป็นเต็มไปด้วยควยคามแก่เต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยคนามตายเต็มไปด้วยความนิ่งอ่าผ้าาเต็มไปด้วยความปรารถนาอะไรสมหวังซึ่งโมนี่มันมาเต็มยูคิดยู่ใจเฮาเพราะคิดใจเฮาเป็นผู้รู้จักภาพพลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าเป็นเสัน้นแล้วก็่มีคุณางอันไหน สามีคนทางจะเอาพอพูดพอทำระสงค์สองลงไมใจหันเลอกก็แผ่นดินนะสองแสนสี่งงหมื่นโยชดคนแผ่นดินนะสองแสนสี่หมื่นโยชดหน 2, 3, 4, ดูระเบิดปรมาโนเขาทำได้แต่ลูกคนพูดถึงพอพูดพอทำระสงค์แล้วจึงเป็นอาจารย์และศรัทธาศรัทธาบอกแวกศรัทธาในโล ก, กุตรละศรัทธา เสื่อหมันไน้คุณพระคุณพระธรรมประสงค์ว่าเป็นธรรมที่ครรสร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิยายนี้กระทานําสัตว์ออกจากวัตทุกขทั้งปวงมีทานวัดศีลวัดพระวนาวัดเป็นต้นอันท่านวัตดศีลวัดพระวนาวัดของเฮาเต็มตืนแล้วยึดไม้ไปลายทางของเฮาก็าจะเข่าสูพระนิพพาน เดี๋ยวนี่ท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮานี่บกพร่องดูเฮาจึงได้มาท่องเที่ยวในวัตจาสงสารเพื่อสั่งขอใช้ในคิดในใจในมโนปุกงพังของเฮาอันท่านวัดศีลวัดพาวนาวัดแก่ก่าเขา่าในคิดในใจในนนนนเฮาถดได้ยึใจเฮานับวั่นจักษณะควมหลงจักษณะควบเพิ่มในวัตจาสงสารไปนะก้า ท่านวัดศรีลวัดภาวนาวัดของเฮ้ายังว่าท่านเต็มเพียงไหนเฮ้าก็มีนาที่สี่สามไปตะพึ้ตะพือผู้ไปหอดไหวที่สุดก็คือหอดในศาสตร์นี่ผู้ขันที่สองก็คือพระศรียาเมตไตผู้ขันที่สามที่สีที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกที่ลานที่ตื่นที่อุซลิวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นลํานับไป เนี่ยววันนั้นมันจงไหนก็นต้องไปวันเดียวกันเมือ่อทริปเราจะประกอไปหลังสถา น, นอันไปพนิพานไงเออพวกที่ไปพนิพานแล้วน่ะมากว่าไม่เห็นไม่ทราในทองมหาสมุทรซีมหาสมุทรผู้เคียมตัวจะไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วกว็เหมือนกันดอกบัวซีเราเราทีอยู่ใต้น้ําก็ต้องไปที่หลัง ก็ต้องบานที่หลังดีว่าดีว่าบานพอเป็นทักษะแห้ง่าและเตาดอกที่เสมอหนามก็มีวันจักบานดอกเป็นตูมดอกที่บ้านแล้วก็บานเต็มพุม่มดอกบัวว่ามีในแจ้งพุทธการเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หน้ามวยพ่อนะี่ยดอกบัวกอเดียวดอกบัวกอเดียวนี่ยไม้ก้มายขึ้นอยู่ในโลกแต่และดอกไม้ก้ามายแต่ละลายของบุคคล อดอกบานกระด า, านเต็มพุ่มคือผู้บาอาการผู้พ้นพ่นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียบตะ ก, กายอยากรู้อยากคนอยู่ดอกเสมอนน้ำกระเสมอนน้ำเต็มพุ่มคือกําลังเล่ ง, ลงให้เล็งให้ท่านรักษาชิงพรวานาอยู่ดอกยื่ใต้น้ำโขปมะพู้คือผู้ถือว่ามีบุญมีบาสุกเอาเาขากินเอเจอก้งางไม่ได้ว่าเพรวกน้ำมื่นมนอนัญการอยู่พวกมูเฮ้า มันก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอหนามและกาลังเป็นตุมูมอืมผู้ว่าอาจารย์ผู้คนปฏิบัติเชิงขัดคนค น, น, นไปแล้วเหมือนดอกบัวที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้คนคนไปแล้วก็มีอยู่วันใดนี้ยิยมการว่นใดนิยมเวลาอากาศนีญญ่กูผู้ใดทําบุญยามไหนก็เป็นบุญย่มนั่นผูใ้ใดน้ำบาสนิยมไหนก็เป็นบาญามนัน่น ย่ามใดย่ามของคิดของใจบาปมันกับบาปยุยใจบุญมันกับบุญยุยใจถ้าบุญแล้วก็ลงไปยุยใจหันไม่ได้ไปอยูบ่บนอื่นขั้งสมบัติพัดสถานที่เขาเอาไปฝากไว้อันนั้นจะสมบัติพัดสถานภายนออกทมัน้มีลายพราโจรศิลป์เพราะเขาติดปนเพราะเขาติดจี้ใส่ลพัดจึงไปฝากข้างไว้เรียกว่าสังหารีมาทรัพย์ ส่วนอสังหารีมาซับเปลือกสวนไ ห, หน้าของเฮาไปยุตตามเดิมซับวิญญาณนกระซับซับที่มีวิญญาณก็ดีอวิญญาณนะกระซับซับที่บุมีวิญญาณก็ดีซับภายนอกพวกนี้เป็นของมาแ น, น่นอนโจรหะละโนนนิชิโจนะเอาไปก็ได้ใสา ไ, ไม้ก็เป็นพลาสร้างรีบเอาไปได้ท่านเอาไปฟังไว้แน่นา่ากระนาคุตซึวันเตเอาไปกิน ฟังไว้นะขีดินก็พูดที่ปีศาจเอาไป